มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนากะาปัญหาฉัตวักคติการะปัญหาที่หถามว่าที่ตรัสว่าเรือนช่างหม้อฝนตกไม่รั่วฝ่ายกุติพระพุทธกสปะนั้นฝนตกรั่วถ้าเช่นนั้น วาสนาช่างหม้อมิดีกว่าหรือราชาอาหารสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมิินทราธิบดีมีพระราชะองค์การถามปัญหาอื่นอีกว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานสมเด็จพระบรมโลกกนาศศาสดาจารย์มีพระพุทธดีกาตรัสประธานไว้ว่าพิกเขเวดูรานะภิกษุทั้งหลาย เรือนนายช่างม้อผู้หนึ่งนั้นรื้อหลังคาเสียหลังคาเป็นอากาศเปล่าอยู่ประมาณไตรามาสสามเดือนในภายในวัดสันะระดูฝนตกลงมาจะได้ถูกต้องหาไม่ได้ปุณะจะพานิตังครั้นมาอีกหมายเล่าสมเด็จพระสัพพันธ์อยู่เจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่าพิกโขเวดูราณะภิกษุทั้งหลาย พระกุดีของสมเด็จพระกัสสปะสรพพันยูเจ้าโอวัตสติฝนตกต้องรั่วรดลงได้ธรรมดาว่าอานุภาพของสมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถแล้วก็ประพฤติเป็นไปสมดังพระทัยพระพุทธองค์ทรงปรารถนานี่แหละสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าของเรามีพระพุทธดีกาประพาธเป็นสองโยมพิเคราะห์ดูไม่ต้องกันเลยพระผู้เป็นเจ้า ตกว่าถ้าพระพุทธานุภาพนี้ประเสริฐจริงทำไมวาสนาช่างหม้อนั้นจึงยิ่งไปกว่านายช่างหม้อจะมีวาสนาประเสริฐกว่าพระพุทธานุภาพทีเดียวหรือจะเชื่อเอาพระพุทธฎีกาซึ่งตรัสก่อนพระพุทธดีกาตรัสภายหลังจะผิดครั้นจะเชื่อพระพุทธดีกาภายหลังพระพุทธฎีกาก่อนก็จะผิดอยังปันโหอันว่าปริศนานี้อุพะโตโกติโก เป็นสองเงื่อนอยู่นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนักเกษตถวายพระพรวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกกน า, าศาสดาจารย์มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าคติการะบุรุษเป็นช่างปั้นหม้อเรือนไม่มีหลังคาฝนฟ้าและน้ําค้างไม่ตกต้องเป็นอัศจรรย์อันยิ่ง ส่วนพระกุดีของสมเด็จพระกัสสปะสัพพันยูนั้นฝนรั่วรดได้พระพุทธดีกานี้ตรัสจริงอยู่แต่ทว่าคติการะช่างหม้อนั้นศีลวามีศีลห้ารักษาเป็นนิสศีลมิได้ด่างพร้อยแล้วมีหนำซามรักษาศีลแปดเป็นอุโบสถทศศีลด้วยกัลยาณธรรมโมมีกัลยาณธรรมพระพฤฒธรรมอันชอบ อุสันนะกุศลมูโลโอประกอบด้วยกุศลมูลอันหนาแน่นอุดสาหะปรนิบัติบิดามารดาซึ่งมีจักษุมืดมัวมองไม่เห็นอยู่มาวันหนึ่งคติการะช่างหม้อนั้นไม่อยู่มีผู้มาเรื่อเอาลังคาไปมุงกุฎีของสมเด็จพระสัพพันธ์อยู่เจ้าเสียโดยไม่ได้บอกให้ช่างหม้อนั้นรู้แต่นายช่างหม้อนั้นเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใส จะได้เสียอกเสียใจสอดแคล้วกินแหนงอย่างไรหาไม่ได้กับปีติโสมนัสชื่นชมยินดีในกุศล น, นั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงได้อานิสงส์เสวยวิบากผลในปัจจุบันเห็นทันตาเป็นทิฏฐธรรมเวทนีฝนน้ำค้างแดดลมไม่ได้ถูกต้องหลังคาเรือนเหมือนมุงขึ้นไว้ให้ดีเป็นอัศจรรย์ดังนี้ใช่ว่า คติการะช่างหม้อนั้นจะมีอนุภาพยิ่งไปกว่าพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าหาไม่ได้มหาราชะขอถวายพระพรสมเด็จพระไตรโลกนาถจะรู้วาดไว้วิการไปด้วยอันตรายคือฝนฟ้าแดดลมน้ำค้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นธรรมดาหาไม่ได้สิเนรุราชาวิยะเปรียบดุดเขาสิเนรุราช พายุใหญ่จะฟันฟาดให้มากกว่าแสนกว่าหมื่นกว่าพันณจละลติเขาสิเนรุราชนั้นก็ไม่ได้รู้หวาดวันสาขโรวิยะถ้ามิฉะนั้นดุจหนึ่งว่ามหาสาครที่มีห่วงอันลึกแม้ว่าคงคาจะไหลามามากกว่าแสนก็บอห่อนรู้เต็มรู้วิการไปยะถามีขรุวนาฉันใดตถาขะโต สมเด็จพระสีสันเพชร พ, พุทธเจ้านั้นจะได้วิการไปด้วยอันตรายต่างๆคือน้ำค้างน้ำฝนแดดลมหาไม่ได้อุปมาเหมือนเขาสิเนรุราชและชาติมหาสมุทรอันใหญ่นั้นคติการะช่างหม้ออะไรจะมามีบุญว่าสนาปูนปานสมเด็จพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เล่าประการหนึ่งที่สมเด็จพระบรมโลกนาศาสดาจารย์ มีพระพุทธดีกาตรัสว่าพระกุดิของสมเด็จพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ารั่วได้นั้นเป็นด้วยสมเด็จพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นส่งพระดำริไปตามพระพุทธประเวณีด้วยว่าสมเด็จพระชินาศีเจ้าอันได้ตรัสรู้แล้วเสด็จเข้าสู่ปฐถโมกมหานิพพานล่วงลับไปแล้วทุกทุกพระองค์นั้นย่อมประพฤติให้เป็นประโยชน์สองประการคือ จะให้มนุษย์นิกรชนทั้งหลายได้มีโอกาสถวายจะตุปปัจจัยเพื่อเป็นมูลค่าหรือแสวงหาต้นหญ้าและใบไม้มากระทาถวายพระองค์อันเป็นกุศลอย่างสัตว์ให้พ้นไปจากทุกขติภูมิประการหนึ่งคือจะไม่ให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งล่วงเข้ามานินทาติเตียนพระองค์ว่าพระองค์เจ้าแสดงปาฏิหาริหาหาเครื่องเลี้ยงชีวิตดินซีไม่เป็นอันสมควรประการหนึ่ง เพราะเหตุเชนี้สมเด็จพระมหาหมุนีบรมกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ทรงกระทําปาฏิหาร์บันดาลให้พระกุดีหายรั่วกลับคืนดีด้วยพระพุท ธ, ธานุภาพใช่ว่าพระกุดีของพระองค์เจ้านั้นจะรั่วโดยพระองค์ไม่สามารถจะบันดาลให้หายเป็นปกตินั้นหามิได้มหาราชเขอถวายพระพรประการหนึ่งถ้าแล ว, ว่า สมเด็จอมรินทราที่ราชก็ดีเท้ามหาพรมก็ดีหรือสมเด็จพระกสปะเจ้าเองก็ดีจะพึงเนรมิตรบรรดาลพระกุดีนั้นให้หายรั่วก็จะประกอบด้วยโทษเป็นเหตุให้มหาชนกล่าวคมขีแซงใส่ใครพระองค์ว่าสมเด็จพระสัพพัญยูทรงกระทํากรรมอันหยาบซึ่งเป็นโลกกระทำคือทําอันเป็นหน้าที่ของสัตว์โลกทั่วไปหาสมควรแก่พระองค์ไม่ เหตุฉะนั้นไซสมเด็จพระบรมไตรยโล ก, กนาถกัสปิยเจ้าจึงทรงงดไว้ไม่ทรงกระทาให้หายข้อหนึ่งเล่าสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงขอวัตถุสิ่งหนึ่งประการใดด้วยพระองค์มาทรงพระปริวิตกว่าแม้จะไม่มีวัตถุบริโภคใช้สอยความเลื่อมใสยอย่างไรจะพึงมีก็หาไม่ได้เหตุฉนี้ พระกุดีของพระกสปะสัมมาสัมพุทธบพิสทธฝนจิงรั่วรดได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าวิลินภูมินทราธิบดีได้ทรงฟังพระนาคเสษนวิสัชนาชนี้ก็มีนามพระไทยสิ้นสงสัยสาธุการแก่พระนาคเสษนดุจนตยะที่วิสัชนามาแล้วแต่หลังนั้นคติการะปัญหาเป็นคำรบหกจบเพียงนี้